ขอกราบสวัสดีท่านผู้รัฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปรุรุท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2549รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิปบปุรเป็นผู้ดำเนินรายการครับ เช่นเคยครับทางรายการการพัฒนาพระเทชพระคุณพระเทพพิโลกวันประวัต น, นี้เป็นพิหารพิมพ์กรตอบปัญหาธรรมะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315นะครับเริ่มต้นรายการก่วันนี้สายอาจจะขัดข้องนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขณะนี้กาลังแก้ไขยอยู่นะครับท่านโทรมาอาจจะโทรเข้ามาไม่ได้นิดนึงนะครับขณะนี้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นทางรายการก่อนนะครับซึ่งจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของ52สัปดาห์ในปี2569ครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับแฟนรายการหลายท่านอยากจะได้ทำมาเป็นข้อธรรมนาชีวิตเพื่อเข้าสู่ปี2550หน่อยนะครับเจ้าคุณอาจารย์ครับพอก็าการตามความจริงคือปีใหม่เนี่ยเรามีการส่งสงกสกันครับแล้วก็แปลว่าส่งความสุข ที่จริงความสุขก็ส่งกันคงไม่ได้ะนะฮบแต่ว่าเราก็ควรจะสร้างเหตุให้เกิดความสุขโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือสภาพปัญหาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสังคมแต่เราไม่รีบหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นความสุขเราจะต้องการยังไงมันก็เกิดขึ้นได้ยาก ก็ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุของปัญหาที่มันกระทบต่อสถานภาพต่อความเป็นอยู่อย่างปกติสุขภายในครอบครัวเนี่ยก็พยายามอยู่ยังมีสติใช้ปัญญาใช้เหตุผลให้มากเพราะว่าก็เรียกว่าในปี2549เนี่ยเรามีใช้อารมณ์จนกลายเป็นลีลาอารมณ์ คือหมายความมาสุดขั้วไปหมดเป็นอคติที่สุดขั้วคือรักก็สุดขั้วชั่งก็สุดขั้วกลัวก็สุดขั้วอ่แล้วก็โกรธก็สุดขั้วเลยก็ไม่รู้อะไรแล้วก็เรื่องมัน เ, เรื่องเราก็ไม่เข้าใจความจริงเพราะงั้นปัญหาใหญ่ที่มีอยู่ภายในสังคมที่ค่อนข้างมากเนี่ยเรากล่าวโดยสรุป ก, ก็คือเรื่องของอคติในความลําเอียงที่อาศัยความรักกันเป็นปการส่วนตัวความกลัวกันเป็นการส่วนตัว หรือความไม่เข้าใจในเหตุผลเรื่องนั้นๆตลอดถึงกลัวโดยร้ายสาระแก่นสารเนี่ยถ้าเราพยายามลดละพวกเหล่านี้ลงไปได้โดยเฉพาะยิ่งก็มีการเรียกร้องสมานใฉันกันคือมาอยัางมองว่าวิธีการสร้างสมานในฉันโดยการสัมภาษณ์ด่าอีกฝ่ายหนึ่งทุกวันเนี่ยมันไม่มีทางจะเกิดได้วันสมบัสมานในฉันมันต้องลืมอดีตครนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ คำกรอนที่พระเจ้าทีกิติโกศ ล, ล, ลท่านกล่าวสอนทีกวุกุมาเนะี่ยอดูดวงจิตบิดาฟังคําพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวนปราระงับพระผูกเวนกันเพรานเราจะต้องยุติการผูกเวนกันรหรือถ้าจาบใจที่ยังมีการผูกเวนกันยังมีความเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรง จน ถ, ถึงคิดพิคาดเขีนข้ายอาสันโดยวิธีโดยไม่คำหนึงถึงรูปแบบยังไงสมานในฉันมันเกิดไม่ได้ครับแล้วเมื่อเราคาดสมานในฉันในอย่างอื่นที่เราต้องการจริงๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ตามไปครับเพราะว่าสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันครับมันไม่ใช่ว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถรับผิดชอบสังคมได้แต่ว่าเป็นเรื่องของคนทุกคนเดียต้องมีความสำนึกชาติร่วมกันแล้วก็รับผิดชอบต่อชาติร่วมกัน เราะในสิ่งที่เราต้องการแต่ตุเพิทพรทั้งสี่ประการซึ่งก็มีการนำโดยวยพรกันอยู่เนี่ยอย่าลืมว่าพรทั้งสี่มันเป็นผลซึ่งจะต้องเกิดขึ้นมาจากเหตุและเหตุนั้นจะไม่อื่นไปจากการดำรงชีวิตยอยู่ด้วยหลักของมีความเมตตาต่อการรู้สึกเป็นมิตรต่อกันแล้วในขณะเดียวกันเราคารพสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน แใช้เหตุผลสติปัญญาในการครองชีวิตเพราะว่าชีวิตที่ด้วยด้วยที่ที่อยู่ด้วยปัญญาหรือว่ามีปัญญาเป็นหลักนั้นก็เป็นสุดยอดของชีวิตเราขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พยายามใช้เหตุผลใช้สติปัญญาให้เหมาะสมแก่สถานะของความเป็นชาวพุทธที่แปลว่ารูร้ตื่นเบิกบานให้มากยิ่งย่งขึ้นแล้วขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรยัยและโปรดดุลมดาลให้ทุกท่าน ประสบความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมอันพระบุมียพระเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วตลอดปีสองพห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ตลอดถึงว่าปี ป, ปีต่อต่อไปด้วยโดยทุกการทุกท่านเท อ, อร์สาธุขอกราบขอบคุณท่านที่ควรจารมากครับสายแรกมารออยู่ครับสวัสดีครับ คำครับสวัสดีายการครับสวัสดีครับข อ, อถามอีกสามข้อครับครับัีนีครับทีนี้ม่นับครั้งครับหรือมันอลไรเป็นสําคัญไปเอ่อทีนี้ข อ, ขอถามท่านหน่อว่าคนหนึงเอ่อการเอ่อวิทยาศาสตร์ต้องใช้เครื่องเอ่อวิทยาศาสตร์เสมอไปหรือว่าถ้าผมไม่เข้าใจนะเพราะความนี้นะเหมือนอย่าตาดูหูฟังอะแล้วก็ทําผัสได้ อ, ออกมาแล้วทําได้เงี้ยเรียกว่าวิทยาศาสตร์ไหมข้อสอง เอาตาพระอาการทั้งหนะ้าเน้นเพื่ออะไรก็ได้ประโยชน์แบไหนครับท่านผู้พมก็ไม่ใช่จิตใจครับเพื <c oughs> ่อจะได้แค่ประโยชน์ตรง น, นี้อยากจะขอต่อทั้นี้นะฮะว่าถึ่งนอนอยู่ขนาดจเจริญที่ว่าพราใส่ให้หายใจเป็นพระนะฮะเป็นยุคพุทธเจ้าพุทธทธารทีรู้แล้วก็ก็ <c oughs> หลับไปประมาณปีหนึ่งก็ฝันเห็นวิปผู้ปุแหวนเอหรือิปุเรียญแล้วก็วิปพุทธ ว, วัดอร้อยเองข้าวคู เอาข้อแขนผมข้างซ้ายอ่ะตอนแรกผมฝันว่าพันธเลี้องเข้าขดอ่ะันธุ์เ้ข้าตะวันตกแต่แขนผมข้างซ้ายมันมีเออสองขีดอยู่แต่พันธุเลยาแม่ดูประมาณักผนเนอความฟ่างทีุ่นนึงนะความยาประมาณที่นี้ายข้อแขนข้อมือก็ยกมือถุมออกมาตะวันออกแล้วก็ยิ้มนมาสามองค์นะมันเป็นลิบลิบแงนี้ครับจะทาอาการน้ำผ้าไหว้ผ้าอีกข้อที่สอง ผมเลยขอความเห็นจากขูงพ่อกับเีืนในการว่าถ้าผมจะพูดเรื่องของเอเชียและยุโรปเนี่ยผมจะพูดได้ไหมโดยออกชื่อประเทศไม่จำเป็นออกชื่อครับโอ้ครับงั้นเดี๋ยวรับฟัตจากพี่ก่อนนะครับครับครับครับครับหลายคําถามหลายคำถามผมขอสนุปนะข้อแรกตั้นถามว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับท่านครับอย่างเช่นตาดูหูฟังสัมผัสได้อย่างนี้เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แล้วเราเรามัดเอาวิจิตรวิทยาศาสตร์เป็นเคร่งตัดสินสิ่งต่างอย่างนี้ถูกต้องไปมคก็ไม่ได้แล้วก็กตาดูฟังแต่นั้นนะนะครับมันก็อาศัยประสาทสัมผัสทางนั้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือแต่นั้นเองมันไม่ใช่เป็นตัวหลักตัวหลักมันก็อยู่ที่ตาหูใจของเราเนี่ยเป็นไปเรื่องสําคัญครับเรื่อประสาทสัมผัสอะประสสัมผัสยังไงก็ มันมันมันมันก็เป็นเป็นวิทยาศาสตร์โดยธรรมชาติของมันแล้วอ่ะวิทยาศาสตร์ที่จิงเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับข้อที่สองเกี่ยวกับเรื่องอาการเขาท่านจะบอกว่าพราการทั้งห้าอะไรพวกนี้นะครับอะไรนะท่านถามว่าสมมติท่านนั่งสมาธิอรัท่านครับแล้วก็มีพระ มาเห็นรกปูแหวนเป็นนั่นเป็นเป็นเป็นนิมิตอย่างนั้นมันก็เกิดได้เยอะถ้าเอามาถามมาพูดกันแล้วก็ก็เยอะอ่ะคือคือคือสรุปว่าคนแต่ละคนคราวแต่ละคราวเนี่ยที่นั่งสมาชีเนี่ยก็ไม่มาพูดกันหรอกครับมันมันเยอะเกินไปครับผมแล้วก็คือคือสิ่งนั้นก็ไม่ใช่จริงนะฮะหมายความว่าในฝันมันจริงแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่จริงครับ ก็ก็ถือว่าจิตเราดีก็แล้วกันแหละที่ได้เห็นสิ่งดีงามก็เป็นสิริมงคลแต่ว่าถ้าเราประเด็นของฝันขึ้นมาพูดเนี่ยโอ้มันมันเราก็ฝันทุกวันฝันเยอะใช่ครับแล้วก็ที่ท่านพูดว่าท่านจะพูดเรื่องเอเชียเรื่องยุโรปอะไรพวกนี้อาจจะหมาถึงพูดในรายการนึกคุจำอ๋อก็คงจะไม่จําเป็นนะนคือคือว่าไปก็พูดในที่อื่นมันคงได้แต่พูดออกวิทยุบางจะเบืเกี่ยวข้องกับการเมืองการเมือง สุแล้วก็อะไรคล้ายๆพระทั้งหอะไรก็คือว่าท่านท่านมาอยู่กับพระอรหันต์ทั้งห้าเลยที่มาจับท่านอะไรในในมีแต่ข้อผิดพลาครับผมขอคําถามข้อที่สองเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพุทบทานท่านเบิร์ตคุณค่ะคือตอนนี้นะคะครับรบกวนพูทดทานนิดหนึงนะครับค่ะตอนนี้นะคะจากที่อ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะขณะเนี้ทำไมพุทธทานิดมากหรือเกินค่ะ จะกับเรียนท่านชุกคุณว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรคะที่จะไม่ให้ประชาชนงมงายไปในเรื่องเหล่านี้คะ่ะขณะนี้อ่านพบกระทั่งว่าเอาถุงงอกคือคือคือทำเป็นรูปถุงงอกกันนะคะแล้วก็เขียนว่างอกเงินงอ ก, งงอกทอง เศษศีอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องชาวพูดเลยแล้วก็ทําไมไปขายได้ในวัดนะคะอืมครับผ่าจากกับเรื่องแค่นี้นะคะครับขอบพระคุณมากครับที่เป็นถัวนะครับขอบพระคุณครับคือมันเป็นปัญหาภูเขาโยมจริงก็มาเองก็สงสัยนะฮะคือสงสัยวเอ๊ะทําไมกระแสศัยศาสตร์มันมาแรงเหลือเกินครับ เราก็ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยไม่ค่อยค่อยรู้แต่ว่ามันก็แปลกอะเทวดาของแถบเทวดาของจีนเทวดาอะไรแต่ได้มากันเบ้ะจริงเลยฝรั่งฝรังก็มากันอแสดงว่าสังคมเราเริ่มสับสนในด้านความคิดครับแล้วก็ไม่มั่นใจในทุกๆเรื่องคว้าไปเรื่อยๆนะฮะจากใดที่ใจเรายังไม่หนักแน่นมั่นคงใจมันก็คว้าอย่างนั้นโดยธรรมชาติ เราแสดงว่าเราจะต้องตามไปดูที่ระบบการศึกษาครับตอถ้าเราไปแก้ที่ระบ ก, การศึกษาไม่ได้การสื่อสารต่างๆไม่ได้เนี่ยมันมันจะพูดยากนะฮะมันมันเป็นเรื่องอุปสงค์ประธานอย่างหนึ่งครับคือคือเมือม่อเมื่อมีการเสนอก็มีการสนองครับนะทีนี้ถ้าหากว่าสังคมไม่ต้องการในสิ่งเหล่านั้นจะหยุดไปเองครับถ้าไปแก้เราแก้ที่พวกนั้นไม่ได้ เดี๋ยจะแก้ที่ความต้องการทางสังคมเนี่ยให้เข้าใจเหตุผลในการดํารินชีวิตในวิถีของพุทธซึ่งสื่อเวลาเนี้ยเราจะแก้อะไรไม่ ไ, มได้เลยเพราะว่าเขาเลือกบริโภคสื่อได้มันมันสังคมไม่ได้แค่เหมือนเดิมนะฮะคือคืออย่าลืมว่าสื่อออกทางอินเทอร์เนต็ตอะไรแต่ละท่าละพั์เราไม่รู้อะไรไม่มีใครตรวจสอบอะไรได้เลยครับ คนจึงต้องใช้สติปัญญาและเหตุผลมากเป็นพิเศษในการจะรับสื่อทั้งหลายมันก็ต้องตั้งคำถามเนี่ยว่างอกเนี่ยแล้วก็จะอาศัยนัยยะของคำว่างอกซึ่งาการการอย่างนี้มันก็เหมือนโบราณที่อาศัย ผสมน้ํามนตด้วยกิ่งมะยมก็ให้คนนิยมมาเลยแต่เนี่ยฮะก็ฉลาดเหมือนก็ยากค้าอะไรแต่อะไรในคมแหลมคมอะไรเนี่ยคือมันมันมันในยะอย่างเงี้ยมันมันสังคมคิดมาตลอดครับตลอดถึงเลขต่างๆเช่นเลขเก้าเนี่ยเก้ากับเก้าหน้ามันคนละเรื่องกันนะใช่ปะเขาเอามาก้าอะไรเนี้ยคือมันพูดยากะฮคือสรุปสรุปใช่สรุปพูดยากแล้วเราก็ติดต่อคนเหล่านี้ไม่ได้ครับแล้วคนเหล่านี้เขาไม่ฟังเราพูดออก มันคือปัญหาใหญ่ก็ก็พูดเหมือนกับเหมือนกับนินทาเขาว่าคือคือเพรารับหลังขอเพราะเขาไม่ได้ฟังอะไรกันธรรมะเราครับนี่คือคือปัญหาใหญ่ครับขอบคุณครับผมก็ขออนุญาตยกประเด็นตัวอย่างนิดนึงครับท่านพลเอกเสรีพุกามานะครับท่านเจ้าของรายการซึ่งท่านเป็นอาจารย์ผู้หนึ่งนะครับใน ชุดวิชาการสอนชื่อวิชานะครับพุ้จศาสนากับที่ประจําวันนะครับท่านลงไปสอนเองเลยนะครับท่านมักจะสอนให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเห็นและเชื่อเรื่องกฎของกรรมนะครับในบรรดาหัวใจพุทธศาสนาท่านจะสอนหนักเน่น ๆ, ๆนะครับว่าคนต้องมีเหตผลนะครับในการเชื่อถือการทําสิ่งทุกอย่างเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องใช้หัวใจพุทธศาสนาเป็นเกณฑ์แล้วก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัตินะครับก็เพราะดันั้นแล้ว ทุกท่านที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยศริพทุมนะครับก็ต้องเรียนวิชานี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยครับมีความเชืที่ถูกต้องในพุทธศาสนาและถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ผู้บริหารและเจ้าของมหาวิทยาลัยเนี่ยมาสอนวิชานี้เองเลยนะครับเราให้ความสาคัญของวิชาพุทธศาสนามากอย่างยิ่งเลยนะครับขอต่อไปในสาที่สามนะครับมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากโอกาสที่ใหม่ขอฝากนักศึกษาทุกท่านและอาจารย์ด้วยครับครับผมดีครับ คือปัญหาอย่างนี้ผมไปอ่านเรื่องมรดกคนขอเสียงดังนิดนึงครับวันนี้ใส่ผมไปอ่านของพระพุทธทาสนะฮะครังมรดกที่มอให้นะครับมันมีตอนหนึ่งที่กล่าวว่าคําว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วเนี่ยไม่ใช่หัวใจรู้ศาสนาครับโอหูเพียงครึ่งเดียวเพราะว่าคำคำนี้อะนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ก็เลยกลาวท่านผู้การเรียนถามท่านสจคุณอาจารย์ว่าผิดถูกอย่างไรครับทเมื่อนี้อาจารย์ก็พูดว่า หัวใจศาสนาอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมครับได้ครับแลครับผ <ม S 2> บอากราบให้บรรละเอียดซึ้งค ร, ครับขอบคุณมากเลยครับครที่พระพุทธศาสานานั้นเป็นกรรมวารีนะกล่าวถึงการกระทําทั้งหลายว่าผลทั้งหลายนั้นมาเกิดมาจากเหตุก็คือการกระทําครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงมันไปตรงกับคาที่ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระทาถาข้าเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมณะมีปกติสัจอย่างนี้ วันหลักกรรมมันก็เป็นตัวแกนนําอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากยานแต่ว่าท่านท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไม่ถึงกับปฏิเสธเนี่ยท่านบอกว่าถูกครึ่งเดียวก็ใช่ก็พูดระดับโลกิยธรรมโลกียธรรมอ่เพราะว่าโล ก, กุตระมันก็ต้องดับกรรมดับกรริเลสดับกรรมไปคําว่ากัลายาณการีกัลายาณังปาปการีเจาปาปการังที่เราแปลว่าทำดีดีดทําช่วยช่วนั้นเป็นพระพุทธภาสิตน ะ, ะแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยญาณ เราก็นึกว่าพระเจ้าว่ายัางไงก็ว่าอย่างนั้นแหละครับอาจารย์หลวงพอ่อพุทธทาตท่านก็เป็นแค่ทาตุรลพุทธเจ้าเมื่ออาตมา <c oughs> อาตมาก็เป็นทาตุรลพุทธเจ้าเหมือนกันนะก็ก็กกกกกดูพระพุทธเจ้ากันแล้วกัน แ, และช่างช่างทันจะวหวยังไงก็เรืร่องท่านแต่ว่าท่านก็ไม่ไปเสดนะฮครับท่านก็บอกว่าถูกครึ่งเดียวก็ใช่ก็ระดับโลกีธรรมระดับตกแต่งภบชาติให้ประนีดนะครับแต่เราต้องอาศัยกรรม มันจะเหมือนจับกับยานภาณะที่จะนําไปสู่จุดหมายปลายทางแับไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางดับนั้นก็ต้องอาศัยย า, านภาณะอยูอ่อครับผมขอบคุณที่านอาจารย์ครับถัดเจปเลยครับสายที่สี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกรบมมาตรการท่านจะคุณได้เนะครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ได้เลยครับครับก็คือผมอยากจะสอบถามว่าท่านพระสกิีได้กล่าวกับพระสารีบุตรว่า ทำทั้งหลายย่ำไหลมาจากเหตุก็เขาเป็นอย่างนี้ต่อไปเลยว่าใวโลกเหล่านี้ก็มันมีเรียงเหตุกับผลของเหตุใช่ไหมครับครับอาจาท่านี้ครับดีครับยังใช่ฮะคือคือเราอย่าลืมว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันจะมาจากเหตุแต่มันเองมันเป็นผลแล้วมันก็เป็นเหตุ อ่าคล้ยคายๆกับต้นมะม่วงนี่มาจากผลมะม่วงและผลม่วงก็มาจากต้นมะม่วงครับอมันก็เป็นกันอย่างเงี้ยฮะเป็นกระบวนการของเหตุผลเขาเรียกว่าเป็นเป็นปัจัยของการอะกันอ่เราก็เป็นผลแต่ว่าเราก็เป็นเหตุครับอ่านะสมมติว่าโยมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยโยมก็เป็นผลจากพ่อแต่ว่าเราก็เป็นเหตุแล้คงมีลูกต่อไปนะเนี่ยไอ้กระบวนการทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนั้นคือที่พระราชนิแสดงเนี่ยแสดงอริยสัจ หมาความวาทุกได้มาจากเหตุคือสมุทยัยนิโรธคือความดับทุกก็มาจากเหตุคื อ, คอมรรคดังนั้นก็พระพุทธเจ้าก็แสดงถึงเหตุกับผลสองเรื่องสองสองคู่นะฮะเหตุกับผ ล, ลทุกก็เป็นผลนิโรธก็เป็นผลสมุทัยก็เป็นเหตุมรรคก็เป็นเหตุอ่ก็ถูกต้องนะฮะคือทุกอย่างมันเป็นกระบวนการของเหตุผลแต่ทีนี้ในบางเรื่องเนี่ยเขาก็พยายามที่จะถือว่าเป็นคนต้นเหตุของสรรพสิง่ง เพราะเขาอธิบายไม่ได้คแต่ที่จริงแล้วมันมันไม่มีอะไรที่เป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งหรอกเพียงแต่ว่าเราจะนับจากตรงไหนตอนั้นเองนับจากตรงไดทิ้งหนึ่งแค่าการวิชาเนี่ยถ้ารวาาต่อไปก็เจอวิชาอยู่นั่นแหละตอนนั้นก็ตัาเตี้ยวิชาก็ฟอแล้วก็จบเหมือนกันค<ะ>ขอบคุณครับทุกคนครับ022413315ครับรอรับทุกสายอยู่นะครับ022413315ครับสายที่ห้ามารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สอบถามได้เลยครับเอออยากจะก ข, ขอขอบคุณท่านท่านอาจารย์ที่ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับวิชาที่สี่กับบทสวดมนแล้วนะคะที่ว่าบันเทือหัดนะคะครับผมและที่ฉันอยากจะขอยืนถามว่าก่อนหน้านั้นแล้วก็สวดมนอะไรกันคะ อ, อ๋อก่อนหน้านั้นสวดมนอะไรครับก่อนทวิชที่สี่ท่านจะทรงทุนแล้วนะคะครับผมอ๋อได้ครับแล้วฝังทางวิทยุนะครับค่ะคขอับขอบคุณมากครับค่ะ คือก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าโ บ, โ บ, โบทบททำวัดบทบอกวัดนะฮะคือจะสวดกันก็ก็อยู่ในเครือนี้นั่นแหละอยู่ในเครือพระดันตนาัยนั่นแหละครับแต่ว่าบทสวดที่แต่งเนี่ยก็ทรงแต่งทีหลัง <c oughs> แต่ว่าเนื้อหาสาระมันก็อยู่ซึ่งซึ่งความนิยมต่างๆที่มีอยู่แล้วเราจะเห็นว่าอย่างอิติปิโสสวกโตสุปฏิปันโนนี่ก็เอามาทาั้งรุ่นเลยครับไปต่อหัวที่เออารหังหน่อยหนึ่ง <c oughs> แล้วก็จบลงที่ปลายาสรุปว่าเมื่อก่อนเนี่ยระบบการทําวัดเนี่ยเข้าใจว่าเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพราะว่าบันบีทีคล้ายๆ ข, ของคริสครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยพระไปจาประชุมกันสารยาไก็แล้วแต่จะสูตรอะไรครับพระสูตรส่วนมากจะเป็นพระสูตรอเป็นหลักแล้วพวกข้าทาแล้วค่อนข้างขลังด้วยนะฮะแนวแนวถ้าเราดูเอกสารแล้วมีค่อนข้างขลัง อย่างอย่างนี้แนวสิบสองตำนานเจตนานเนี่ยนะฮะก็ก็ขังๆเท่านั้นใช่ครับอะาสิบสองตนานเจตดตำนานก็ส่วนใหญ่ก็สวดอยู่ตรงนี้นะะส่วนใหญ่จะสวดแต่งันประเด็นนะว่ามันเป็นพระสูตรมันไม่ใช่เป็นบทนอบน้อมมัสการแบบนอบน้อมมัสการจนประกาศตัวเองเป็นธาตุพระพุทธเจ้าประธับประสงค์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีลักษณะยอมตัวแบบพวกนับถือพระเยซูครับนะ คือคือลักษณะความคิดต้องการจะให้ทันกระแสของโลกเนี่ยที่ว่าเธอมีเนี่ยฉันก็มีฉันก็มีมากกว่า น, นั้นครับนะแล้วฉันก็เสนอขึ้ฉันออกออกมาเพราะว่าแนวการมอบกาถวายยิบิตต่อพระรัต น, นตรัยนี่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วคยังแต่เราไม่เอามาส่วนแต่นั่นเองเอาไปเขาบป็นเจ้าหน้จที่ครั บ, บ, ารบสายที่หกครับสวัสดีครับท้าราชการครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับทางจัลลิกาสวัสดีครับอืม ทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วยเนี่ยผมถือว่าเป็นสัตรธรรมนะเป็นความจริงฮะแล้วก็อย่างพระพูดว่ากินเครื่องเดือผมว่าพู้ไม่ถูกหรอกฮะเพราะว่า <S <S ถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ศาสนาเนี่ยพระก็ไม่ได้เป็นบุคคลสคัญของสาธารณชาติจริงไหมฮะอืออันนี้เรื่องจริงนะฮะหรือผ ม, ผมจะจะขอถามเรื่องนึ่งนะครัคือความดีที่เราได้กระทําลงไปประมาณห้าบเปเซ็นต์เนี่ยจะสามารถ ลบล่างหรือว่าทําให้ความชั่วที่ทําปร้อยรเปอร์เซ็นต์ลดลงได้หรือเปล่าครับผมใช้ปตัวอย่างนะครับไอทีวีเนี่ยด้านหนึ่งก็มีการลําเลื่อยว่าตัวเองเป็นตัวกลางช่วยรับเงินโดยจากช่วยซึ้อนมิมัม่งช่วยน้ําท่วมมั่งช่วยช่วยอะไรนะไอเ <laughs> ขออาแค่เบาเบาเลยนะครับ <laughs> ช่วยน้ําท่วมมัง่งช่วยอะไรอ เก็บภาษาไยต่างๆเนี่ยอด้านหนึ่งแน่นอนเลยทำลายศาสนาพุทธทำลายพระทำลายศาสนาพุทธดิสเครดิตศาสนาอะไรอย่างนี้เรนคือความช่วร้อเปอร์เซ็นต่อความดีห้าสิเปอร์เซ็นต์มันจะมาลบล้างร้อยเปร์เซ็นต์ฟังจากมิจยุนะครับขอบคุณมากครับยังไงแต่เมตตาก็หน่อยกัะการนะฮะแฝดเมตตาก็หน่อยกันะการเรว่าคือคือเราจะคงจะไปอย่าไปกระทืบซ้ำคนล้มมนะขอโทษครับก็ ทำอะไรใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปอส่วนถูกก็ถูกไปส่วนผิดก็ผิดไปเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบครับก็ไม่ต้องขอโดยสารนําช่วเขาหรอกเราเขาทําไปฝ่ายเดียวที่คอาจารย์วิจารณ์ประเด็นเมื่อกี้หน่อยครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ช่วถูกค่าถูกแค่ครึ่งหนึ่งในเออคือมันมันเป็นคือหลวงพ่อพุทธทาสท่านท่านชอบพูดในลักษณะนั้นออนิยายนั้นมากไหมก็ได้ละมาไม่ไม่ไม่คยสนใจเลยบทงานหลงพุทธทาสเนี่ยเราเราเราอ่านแล้วงุนหงิ ก็ที่เจอมาหนักกท่านนะฮะโอ้โลพ่อกับผมนี่ต้องถกกันไม่นอกก้อยกว่าสิบสิบชั่วโมงอือแล้วก็นัดไปก็ปรากฏว่าท่านก็ป่วยป่วยจนตายไปเลยเลยก็ไม่ได้ไปเดียวเตียนจะไปอัดเทสนะฮะเตียนจะไปอัดเทสแล้วก็ซักประเด็นต่างๆที่ท่านนําเสนอแล้วก็สร้างความสับสนขึ้นมาเนี่ยจะซักประเด็นต่างๆแล้วเราจะเอาพระบาลีตะวิโดกไปเทียบไปดู ครับแล้วท่านอธิบายว่ายังไงเราจะอาเทพมาแลาจะลอกเทพเรจะผิดเป็นเล่มอ้อวางแผนไว้อย่างงั้นก็นักกันหลายคนนะปรัมนณสามสี่คนวันีท่านท่านก็ป่วยแล้วก็ไม่มีโอกาสเราเสียดายเหมือนกันครับเกี่ยมาว่าท่านท่านท่านต้องการเน้นประเด็นน่ะ ท่านการเน้นประเด็นโดยลืมไปว่าแล้วท่านชอบใชค้คํามาเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสุญญตาเท่านั้นไม่สอนเรื่องอื่นเลยอย่างเงี้มันคือท่านท่านท่านชอบใชอ้อ่ะครับงมาว่าเป็นภาษาติดปากอ๋อเป็นภาษาติดปากมากากว่าเลยชอบเน้นคํามาเท่านั้นนะฮะท่านั้นอย่าลืมมันเป็นการปฏิเสธอย่างอื่นหมดครั บ, รบท่านครับซึ่งก็ไม่จริงอะ่ะ <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> ไม่จริงเพราะอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างในในอนัตตลกนาสูตรเนี่สอนเรื่อง ทั้งอนิจจังทั้ทุกขังแต่หน้าตาอะพูดเฉพาะสัญญตาได้ไงก็พูดเรื่องอนิจจ์ดูพูดเรื่องทุกขังด้วยแม้แต่สูตรเดียวมันก็ไม่ใช่แล้วครับอ่ฝครับคุณครับทุกคนจับกับสายที่เจ็ดมารออยู่ครับสวัสดีครับเพ่อนกันครับครับครับจะขอกลับเรียนถามท่านจุกคุณแต่เกี่ยวกับเรื่องคําความหมายในพระพุทธศาสนาคือคํา ความหมายในกลธรรมสูตรที่บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรๆที่มีทั้งหมดสิบข้อนะะครับกับความหมายของคําว่าวิจิตรถาซึ่งซึ่งมีความหมายว่าอ่าความสงสัยหรือความไม่แน่ใจเนี่ยผมผมผมสับสนนิดหน่อยนะว่าความหมายอย่าเพิ่งเชื่อในกลธรมสูตรกับคําวิจิตรฉาเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วแล้วผลของความต่างของของความหมายของคําสองคํานี่มันมันมันต่างกันยังไงบ้างขอบคุณมากเลยนะครับครับครับ คือคือลักษณะการามาสูตรเนี่ยมันเป็นพิสูตพิเศษที่จริงถ้าโยมบอกอัดเดตมาเนี่ยจะส่งหนังสือไปให้ครับแต่มาเขียนไว้แล้วนะฮะการามาสูตรพูดไว้ยังไงก็ตอนนี้ก็เพิ่งเผยแพร่ออกไปอีกชุดหนึ่งครับอ่คือการามาสูตรกับความสงสัยเนี่ยที่จริงก็แกก็ตลงใจไม่ได้อะไรถูกอะไรผิดก็คือเป็นความสงสัยนั่นแหละ ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ให้เอาของที่เรียนอยู่แล้วนมาคิดอย่าตัดสินใจผิดหรือถูกไปก่อนเ ช, ชื่อหรือไม่เชื่อไปก่อนก็ให้คิดจากสิ่งเหน่อนั้นแหละก็ความสอนแบบจินตามายปัญญาพูดพูดง่ายๆว่าสอนงานวิจัยอะ่ะมันเป็นระดับปยาโทแล้ว <laughs> คือจะต้องมีการวิจัยแล้ว อย่าเป็นยาโทรเป็นยาเอกไปแล้ว ค, คือคนเหล่านี้เขามีข้อมูลอยู่เยอะแต่ว่าเขาวินิจฉัยข้อมูลไม่ได้เพราะว่าเจ้าของข้อมูลแต่ละข้อเนี่ยจะยกว่าถ้าของตัวเองมันถูกต้องคนอื่นผิดหมดทําให้ก็เกิดความสับสนบเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็บอกเอามากองดูที่เราก็แยกดูแยกดูว่าอะไรละมันเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนมาคนอื่นไหมให้คุณเนื้อให้โทษยังไงก็แยกดูแล้วอะไรก็ตามที่ ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบางคนเดือดร้อนสิ่งนั้นก็ควรถือเอาแต่อะไรที่เบียดเบียนตนเองเดือดร้อนไม่เบียดเบียนคนเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ควรถือเอาก็ท่านั้นเองคือไม่ใช่ใช้คำว่าเชื่อนะฮะใช้คำว่าอย่าถือเอาเพียงเพราะแหล่งที่มาของความเชื่อของเราก็คือหนึ่งคือประสบการณ์ตรง เขาเรียกว่าประจักประมาณครสองก็คือสิ่งที่ตำหนักตำรายเอกสารต่างๆเขาเรียกว่าสัพพประมาณแต่อีกอย่างนึงก็คืออนุมานเอาเช่นที่ได้มีความดีนั้นมีความอย่างเนี้ยเราอนุมานเอามาก็แรงความเชื่อมันก็มาจากสามแหล่งอยู่เนี้ยเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ท่านกาลามะเนี่ยเขาได้รับรู้มาทางภระาทสัมผัสหรืเกิดปจักด้วยหูแต่วันเกิดความขัดแย้งเขาก็เกิดสงสัยเพราะงั้นอ้พิจิตริษาก็อยู่ในนั้นแหละ แตกตัดสินใจไม่ได้พระเจ้าก็ให้โปร่งลงแล้วก็ยกปล่อยลงลรามกองเรามาแยกดูแต่ น, นั้นเดงไม่ได้เพิ่มข้อมูลใหม่ให้เลยอข้อมูลเก่านั่นแหละเอามาแยกดูครับแล้วก็เกณฑ์วินิฉัยก็ส่งประทานเกณฑ์วินิสใจให้ไวแล้วท่านก็วินิจฉัยได้นะฮะ ไม่ใจได้ในที่สุดแต่เสียดายว่าคนที่เอามาพูดเนี่ยไม่ได้อ่านพระไปิฎกให้จบพระสูตรจบที่จริงตอนสุดท้ายเนี่ยพระพระุทธเจ้าทรงแสดงยกตัวอย่างอนิยสาวกเขาเจริญพรหมิหารทั้งสี่ประการครั บ, รบแล้วก็ในที่สุดทรงแสดงความอุ่นใจสี่ประการข้างหลังเอาไว้ปิดปิ ด, ปดท้ายว่าขอให้มีจุดยืนอยู่ที่ทําดีพวกง่ัยถ้าทําดีแล้วผลบุญผมบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคุณก็อยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันละครับ แต่ถ้าพ้บุญนบาปมีในรลกสวรรค์มีคุณก็บังเกิดในสวรรค์ด้วยในชาติาต่อไปและเป็นสุขในชาติปตัจจุบันด้วยแต่ถ้าคุณไม่ทําล่ะถ้าพ้นบุญพ้นบาปมีคุณก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันแล้วก็ตายไปตกนรกถ้าพ้นบุญพ้นบาปไม่มีคุณก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันะเกณฑ์คิดนะฮะเกณฑ์คิดว่าตีต่างว่าตีต่างว่ามันไม่มีแต่อย่างน้อยในชาติปัจจุบันก็ดีแต่ถ้ามันมีเราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันด้วยในชาติต่อไปด้วยครับถ้า ถ้าดีเราก็ได้ได้ดีในปัจจุบันด้วยในชาติต่อไปด้วยก็วิธีคิดง่ายๆนะฮะว่าทำดีเนี่ยสือะไรจานวนปัจจุบันเรีเผื่อนียวไปก่อนก็ก็ก็ดีกว่าไม่ทำอ่ะี๋ยวไป่ทำใช่ครับอย่างน้อยเราก็เป็นคนดีในขนาดนั้นน่ะครับผมตัดแจงขอบคุณครับที่กดแจ้ครับสายที่แปดครับสวัสดีครับครับผมขอถามหลงข้อครับคือฟังมาไม่ค่อย ไม่ค่อยแน่ใจว่าจำได้สาวฟังวิญญามานานแล้วครั บ, รบเออชื่อนางอุบลวนรณเทรีหรืองไงนี่แะครับทีบ่ว่าเป็นเลิศในทางฟิกซูนีด้านด้านมิลิธนะฮะครับแล้วก็ผมไม่รู้จะอธิบายว่าท่านโดนขมขืนยรืองไงเลยครั บ, รบนี่อยากจะทราบว่าท่านทํา จำอะไรมาถึงโดนถูกถูกกมือนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจะฟังมาว่าท่านเจอในดอกบัวหรือไงเนี่ยนะฮะข้อหนึ่งนะครับครับผมและข้อที่2เนี่ยผมอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องว่าผลของบุญที่เราเราได้ทำแล้วเนี่ยฮะสมมติอุทิศไปให้พ่อแม่สมมติ พ, พ่อแม่ป่วยหรืออะไรเนี่ย ท่านจะได้รับบุญที่เราทิพไพรหรือเปล่าครับแล้วก็อยากให้หลวงพ่อบอกว่าบุญที่ได้มันมีหลายอย่างอยากให้อธิบายที่นึ่งครับครับผมอ้าวครับครับข้แรกนางอุบลมันคือคือเป็นวิบัติกรรมอย่างหนึ่งในชาติอดีตมันเรื่องยาวนะฮะสรุปว่าเป็นวิบัติกรรมที่ตามมาทันมาสนองให้ท่านก็ท่านไม่ได้เกิดในอุโบสถผิวท่านเหมือนกระดอกอุบลเหมือนกระดอกบัวผิวสวยผิวผิวละเอียดนะครับละเอียดผิว สวยเป็นที่พอใจต้องการของคนทั้งหลายเป็นมีบักกรรในอดีตของท่านแต่นายคนนั้นก็ถูกเทนีซูปในปัจจุบันบในนันทะนะฮะ<อ>นันทะมนบแลบอะไรนะผลของบุญที่ทำอ๋อคือนนคือเราจะเห็นว่าที่ดทีที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าพ่อแม่มีความสุขการสบายใจขึ้นครับ อนะแล้วถ้าท่านันโมทนาท่านชื่นชมท่านก็รักษาคุณภาพจิตตรงนี้เอาไว้ใจที่สบายเนี่ยฮะจะทําให้อย่างอื่น ม, มันก็ลดลงไปอ๋อนะส่วนจะดนบันดาลขนาดว่าจะหายจากโรคอะไรต่ออไรเนี่ยถ้าโรคไม่แรงก็อาจจะหายได้นะจะอาจจะบันเทาไปได้อย่างเมื่อคือนเนี่ดูรายการอะไรที่นี่หมอชิตที่เขาสัมภาษณ์นายมอสอ่ะบวชบวชแล้วอุทิศกุศลให้พ่อแม่สวดมนุทิศกุศลให้แม่เราปรากฏว่าแม่หายจากบันเทาโรคโรคมะเร็ง คือมันมันมันไอจุดดำเนี่ยมันมันหยุดกระชี่เลยมันเริ่มเล็กลงแล้วก็หยุดการใช้ยาได้บอเนี้ยคือคือก็าอาจจะเชอมโยงอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่ว่าพลังจิตของผู้ผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยชื่นชมในบุญกุศลมากขนาดนั้นขั้นเอมากหรือน้อยนะฮะมันมันปีติเนี่ยปีติเนี่ยถ้ามันอยู่ได้ต่อเนื่องมันก็จะช่วยอะไรพอพอพอสมควรแต่อย่าคิดว่าจะดนบันดาลทีเดียวนะฮะ อย่าคิดจะถึงก็โดนบันดาลจนพลิกน้ามือไปล้างมืออย่างนั้นก็ง่ายเกินไปไบุญคือกล่าวโดยสรุปว่าการทําการพูดการคิดอะไรก็ตามที่เป็นการจางคลายลงของกิเลสการกระทํานั้นเราเรียกว่าบุญส่วนเหตุครับแล้วก็เมื่อทําไปแล้วมีความสุขเป็นผลอย่างนี้ก็เรียกว่าบุญทั้งหมดแหละครับือคืออย่าไปนับอะไรก็นับกระยาม <laughs> ที่จริงก็จำแนกว่เยอะสรุปปะเนี้ยฮะการละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยการบำเพ็ญบุญก็เป็นบุญการละบาปก็เป็นบุญฮะครับ หรือว่าทำสองอย่างพร้อมกันไปทางละบาตรต้งเป็นบุนบุญก็ก็เป็นบุ ญ, บ ญ, บญที่จริงเราทําได้ทีละอย่างนะครับ <c oughs> คล้ายกับเราไม่ไปทางซ้ายก็คือเราไปทางขวาครับเมื่อเราไปทางขวาเราก็ไม่ได้ไปทางซ้ายเพราะฉะั้นเราทําดีก็คือเราไม่ได้ทําชั่วครับหรือการละชั่วก็คือหมายความว่าเราก็ทําดีกา ร, ร, รละชั่วก็คือไม่ได้ทําชั่ง ใช่ไมครับขอบคุณคุณจุกคุณใจครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสมสามหนึ่งห้านะครับโทรเข้ามาได้นะครับขอยืนขออนุญาตประชาพันธ์นิดหนึ่งนะครับแฟนรายการที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็จดหมายเข้ามานะครับขอซีดีนะครับเรื่องสันติธรรมนำสู่สันนิษุขนะครับซึ่งเป็นการบรรยายธรรมโดยพระเดชพระคุณท่านจุกคุณธรรมโกศอาจารย์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับคราวนี้เราเริ่มจัดส่งให้แล้วนะครับ ท่านจขียนจะหมายมามากเลยนะครับเราจะยอยจัดส่งให้วันนี้วันแรกกันนะครับได้ทุกอย่างครบหมดแล้ว <c oughs> พร้อมกับหนังสือที่นี่ประเทศไทยนะครับของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพสด็จยุหลกนะครับ <c oughs> แนบไปให้อีกหนึ่งฉบับนะครับ <c oughs> เป็นธรรมบัญญการจากท่านดรรัชนีพรพรุกยาพรพุกการมันและท่านพลเอกเสรีพุกมารนนะครับท่านเจ้าของรายการแจกเป็นธรรมบัญญการ <c oughs> และวันนี้เพิ่งได้รับใหม่ล่าสุดเลยครับท่านเจ้าคุณอาจารย์นํามาให้นะครับวันนี้นะครับเพื่อมอบให้แก่พลเอกเสรีและผมก็ขอญาติ ขอความอนุกอธิษฐานพระเด็กเสร็จะขอสักร้อยเล่มนะครับหนังสือชื่ออยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู y y en ่เย็นเป็นสุขหนังสือเล่มใหม่ซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ประพันธ์ขึ้นมานะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะครับเราจะแจกให้สําหรับเป็นของกวางตีใหม่นะครับขอสักร้อยเล่มสำหรับแฟนรายการเสียงถ้ำจากมหาวิทยาลัยสิประทุมนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับสามวันโทรศัพท์มาได้ที่ 025791111นะครับ025791111นะครับแล้วบอกเจ้าที่ว่าต่อ2217นะครับที่สำนักวิชากากตาทั่วไปแล้วก็บอกชื่อที่อยู่ไว้นะครับทางท่านพระเดชเสรีและท่านดอตรีชนีพรพุกยาพร์พุกมานะครับจะส่งเป็นธรรมบรรณการถึงมือทุกท่านโดยไม่คิดมูลค่าเลยนะครับหนังสือจากท่านพระเดชประคุณประเทศนิลกนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ นะครับอ่านก็สุขใจผู้ให้ก็สุขใจผู้รับก็สุขใจทั้งคู่เลยนะครับอยู่เย็นไปสุขหนังสือ่องนี้ท่านคุณจันทร์ขอสักนิดหนึงครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านไหนครับท่านคุจันทร์ครับเป็นเรื่องหลักธรรมสี่กรณีนะฮะสี่กรณีด้วยกันครับเป็นเป็นการพูดถึงเรื่องปัญหาอุปสรรคของความเชื่อของชาวพุทธเราเนี่ยเรามีปัญหารเราเห็นว่าศรัทธาในพระราษฎรจัยเราไม่มั่นคง แ, แล้วก็มีความรุนแรงเรื่องอาตียกรรมต่างๆแล้วมีปัญหาเรื่องเพศ<อ>แล้วก็มีปัญหาเรื่องเรื่องประมาทครับซึ่งมันเป็นปัญหาอุปสรรคของสาวพุทธอย่างแรงมากครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เอาไปเรียงไว้ในโมกขุ ป, ปายาคาถาคือบอกว่าในกรณีที่งอนแง่นคลอนแคลนให้เจริญพุทธานุสติในความรุนแรงเนี่ยให้เจริญเมตตาในไอปัญหาเรื่องทางเพศเนี่ยนะฮะให้ให้พยายามเจริญอสุภะกรรมฐานแล้วก็ อย่าประมาทโดยการเจริญ ม, มานานุสติคือรึกถึงความตายก็กมีสี่กรณีด้วยกันก็เป็นเอกสารที่ทำประจำปีนะทำมาเรื่องนี้เป็นอันดับที่สิบแปดคือ คือไม่ต้องจํากัดจํานวนนะฮะหมายความถ้าโยมขอเพิ่มมาแล้วก็ทางหมาวยินดีจะส่งกมาก็จะให้ขอโดนครก็ไม่จํากัดจำนวนนะนะครับไม่จํากัดจํานวนครับยังไงครับก็เป็นข่าวดีสำหรแฟรายการนะครับขอมาได้เลยนะครับที่ศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับบอกกับทางเจ้าที่ที่สำนักสื่อทั่วไปไว้นะครับว่าท่านขอชื่อที่อยู่นะครับอย่างละเอียดเลยนะครับทางท่าน พลเด็กเสรีนะครับแล้วก็ท่านด็อร์ินิพนธ์ผู้ขมานนะครับจะส่งไปธรรมบัญญัการเป็นขวัญปีใหม่เลยนะครับผู้ให้กระสูขใจผู้รับก็นะครับอิ่มเอียนในธรรมได้นะครับหนังสือชื่ออยู่เย็นเป็นสุขนะครับท่านจุฬาจารย์เป็นผู้เขียนไว้นะครับเล่มนี้น่าอ่านอย่างยิ่งสําหรับปีใหม่สองพนะครับเชิญได้เลยนะครับ ด่ยี่เจ็ดยี่แปดยี่หกยี่เจ็ดี่แปดยิเก้าี่วันวันที่ยี่้าหยุดนะครับขอเป็นยี่หกยจยี่ปก่อนนะครับโทรมาได้เลยนะครับศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อสองหนึ่งเจ็ดนะครับตั้งแต่พรุนี้เป็นต้นไปเชิญเลยนะครับอยู่เย็นเป็นสุขครับขอ่าสายต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับราการครับสวัสดีครับอาจารย์ผู้ดาเนินรายการเจ้าคุณนะครับ ผู้ที่กระทํากรรมทางกายอย่างหนึ่งกระทํากรรมทางวาจายอย่างหนึ่งกระทําการทางกายวาจาใจเนี่นะครับก็จะกระทําการส่วนไหนถือว่ามีอนุภาพมากที่สุดในการที่เรากระทําปริมาณเท่าเทากันเพราะกลันมาตรการพระอาจารย์เจ้าคนะครับขอบพระคุณพรกระไรครั <c oughs> บเจตนามันเกิดจากใจโยมบาปมัน <c oughs> อยู่ที่ใจกายไม่ได้บาปวาจาไม่ได้บาปหรอก แต่การกระทําที่แรงเนี่ยมันต้องมีเจตนาครับอ่าปัญหาเหล่านี้มันเคยนั่นยังไงฮะเคยอยู่ในอุบาลีวัฏสูตรที่อุบาลีมาถามพระพุทธเจ้าเรื่องการกระทำเขาเรียกกายทันวจีทันมโนทรนเนี่ยอะไรแรงกว่าครับเอ่อท่านนิครนัตบุตรบอกกายกับวาจาแรงกว่าแต่พระเจ้าบอกใจมันแรงกว่าครับแต่ทรงยกอุปมาให้ดูครับก็ก็ใจมันคือการมันเกิดที่จิตนั่นแหะฮะ กายมันเป็นเครื่องมือถูกบังคับโดยจิตปัจจาก็เหมือนกันปัญบาปมันบาปที่แรงมันก็อยู่ที่จิตและที่สุดเลยนะครับขอบคุณที่กนใจครับสายที่สิบครับผมสวัสดีครับครับครับเปี่ยนถามเลยนะฮะอันเรื่มาจากกลธรรมสูตรนั่นะครับผมว่ามีความมีคนที่เข้าใจผิดอยู่ มากเหมือนกั น, นที่นำเอาประสูตรนี้มาใช้มาม า, า, าตีความหมายในปัจจุบันนี่มามาาานะผมทราบว่าตอนนั้นเนี่นะหมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านนักบาร์ดแล้วถ้ามีมีมีอาจารย์มีคนมีความรู้ผ่านมาเขาจะถามเขาจะแสดงทำอะไรต่างๆเนี่ย คือก็คง ม, มีความสงสัยคือต้องหมู่บ้านนั่นเป็นเป็นปราดอยู่แล้วที่อาสัยในพุทธในในในในในวิชาต่างๆนะฮะก็เลยบอกว่าอย่าไปเชื่อเนี่ยเขาพูดในในกลุ่ม ผ, ผู้ผู้ผู้เป็นนักตราดผู้ก็มีความรู้รแต่ทุกวันเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อ ค, <ๆ S 1> คือหมายเขาว่าเอามาใช้ในแม้กระทั่งในนักเรียนหรือคนอที่มีอคติอะไรต่อกันนี่นะฮะคือตกลง อุณลูกศิษย์ก็ไมไปเชื่ออาจารย์บอกไม่ต้องไปเชื่อแล้วเพราะว่าต้องออกมาพิจารณาอะไรคพราว่าทามาหรือไม่กระทงไงพ่อแม่ไม่ก็ต้องไปเชื่อเหมือนกันครับเอามาใช่คือเป็นผิดไปอย่างนั้นนะครับครับครับใช่เป็นการที่ถามมาท่านแรกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเราไม่ใช่เลยเพราะว่าท่านที่คุณอาจารย์จะบอกว่าถ้าสงสัยเรื่องนี้มากๆท่านมีหนังสืออยู่นะครับจะส่งให้เป็นธรรมบรญญัการให้เลยนะครับ ครับผมยังไงครับก็พวกนี้จะโทรมาได้ที่มหาวิทยาลัยนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับคที่คุณใจครับประเด็นนี้สงสัยกันก็คือคือประเด็นเนี้ยมันอันตรายอย่างที่โยมพูดนี่ถูกต้องครับเอ่อมันมามาไม่แน่ใจอ่ะแต่อย่าพูดถึงท่านเลยท่านตายแล้วคือเอ่อเป็นการนําเสนอขึ้นมาสองกรณีคราวครวนั้นสังคมปวดมากเลยคืออันตรายกาศที่ถีสิบ บางข้อนี้พระพุทธเจ้าเหม่อทรงมียากรข้อนี้พระพุทธเจ้าเหม่อนทรงมยากรข้อนี้รรน พ, พระเจ้ามาชกมา ย, รยากรมันเป็นเขาเรียกว่าอภิปรยายครับในภาษาทางศาสนาอันเขาเรียกอัจฉริยรมวิทยาครับซึ่งมันเป็นระบบปราที่ต้องพูดโดยกระบวนการของปฏิยาการบอกวัูดคนทั่วไปไม่ได้ครับรลวงพ่อจึงไม่ทรงพยากร์สําหรับกรณีทั่วไปแล้วก็ไอเ น, นี้ยกาละมุสูนเนี่ยเอามาท่อนเดียวนิดเดียวเอามาพูดเนี่ย เขาเรียกฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดที่สุดเพราะว่าสร้างสังคมขึ้นสับสนอย่างแรงคนได้นํามาเผยแผ่ในบาปมากนะครับเพราะว่าเป็นการอ<ช>พลิกสังคมให้เกิดความปั่นป่วนขานาดว่าพ่อแม่ก็ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไมแย้องเชื่อไองนะ อ, อย่า ค, คิดว่านั่นเป็นครูของเราอะไรต่อะไรต่างๆจนถึงพระใจบิดกก็อย่าเชื่อมาปีตักกะเซยเอตุไม่เชื่อพระใจบิดเลยยุ่งกันหมดเลยทีเนี้ครับอ๊ยแก้ยากมากอาตมา ปาตกรถาเรื่องนี้หลายครั้งจนเอรมไม่ได้อะมันต้องเขียนหนังสือล่ะเขียนหนังสือพิมพ์หลายหมื่นนะฮะครับพิมพ์หลายหมืน่นพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วก็รู้สึกว่าดีอย่างหนึ่งเพิ่งเจอคําถามวันวันนี้นะครั ใ, ใครยังไม่เคยถามมาเรื่องการละมิสูตรออือเพราะว่ามาปาตกรถาไว้เป็นเป็นเทพ แล้วก็ได้เรียบเรียงไว้เป็นหนังสือเยอะผ่านครัดีฮายโยมโยมมาประลุโยมโยมที่ออกความเห็นตะกี้มีถูกถูกต้องที่สุดครับผมคขอบคุณครับผมสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมดำเนินรายการนะเออไม่ได้พูดหลวงพ่อครัเออผมอยากจะของสื้อไออะไรนะครับ นักต่าอะไรนะครับอ๋อครับครับกาามสการละมาสูตรได้ได้ครับครับได้ครับยังให้ขอญาตติดต่อกับพสธนพลหลังไหม่เลยนะครับยกคู่ก่อนนะครับครับผมครับผมก็หนังสือเล่มนี้นะครับท่านด้วยอาจารย์ก็รู้สึกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะครับเรื่องกาละมาสูตรนะครับและหลายท่านก็สงสัยนะครับเอ๊ะทําไมเอถึงได้ตีความเป็นแบบนี้ไปได้นะครับท่านด้วยอาจารย์ก็บอกว่ายังไงถ้าสงสัยมากๆนะครับกินจหมายมาได้ที่ นะครับหรือว่าฝากเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ น, นพลไว้นะครับหลังไหม่นะครับแล้วก็จะจัดส่งให้เป็นธรรมบรญญัการเช่นเดียวกันนะครับที่คุณจครับหลายท่านไม่ค่อยสบายใจนะครับอมีหนังสือบางเล่มในเขียนพาดทิงถึงมูลยุทธิ ส, งส่งเสริมพุทธศาสนานะครับหาว่าหญิงคอย่างนี้ส่งเสือพุทธศาสนาจี่คุณจครับไอ้พัด <c oughs> พินเขาเขาเขาพูดเรื่อยไปนะคือคนบางคนเนี่ยขอให้ได้ด่าครับ แล้วอะไรที่เด่นๆเนี่ยถ้าได้ด่าก็นึกว่าอัปเกรดตัวเองขึ้นไปนะฮะอยู่ในระนาบคนนักปาราบแต่ว่าที่จริงแกไม่ได้ไปดูที่ท้องสนามหลวงครับแกแสดงมาไม่ได้ไม่ไม่เคยได้ไปดูเพราะจริงๆแล้วเราส่งเสริมจริงๆเราเป็นตัวประสานนั้นเองคครครัับบหมายความว่าในวงการพุทธเนี่ยใครก็ตามจะเข้าร่วมกิจกรรมก็เสนอมาเราก็จัดเต็นให้แล้ะจริงๆจัดให้ฟรีนะะไม่มีใครเคยช่วยอะ่ะ องค์กรต่างๆที่มารอบสนามหลนี่ไม่มีใครใครช่วยเลยนะฮะครับก็แปลกดีกันทีนี้การที่องค์กรบางอย่างที่ถูกถูกขัดขวางนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันขัดแย้งกันโดยสถานะของเขาหรือเขาประกาศแยกออกไปจากคณะสงฆ์แล้วก็มาตั้งเต็นเมืาเลยก็ดา่าคณะสงฆ์เมื่อ น, นั้นเราเป็นสร้างความเป็นสามัคคีเราไม่มาสร้างความแตกแยก เราส่งเสริมก็ส่งเสรมิมมาเกิดสามขีดทามมนคุณมาถึงดา่ามันก็สร้างความแตกแยกมันมันก็ไม่ใช่เรื่องงานของเราครับเพราะงั้นก็มีการตรวจสอบแล้วก็กรรมการเขาก็ไม่เห็นด้วย ค, คือไม่ใช่ปไปเสียความเป็นพูดธขาวเขาคิดว่าเขาเป็นพูดก็เป็นแต่ว่าวิธีพูทธเนี่ยไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายวิธีพูทธอะ่ะเดี๋ยวมาถึงก็มาตั้งเต็นดา่านันเลยดาา่ดาคณะสูงด่าด่าหมดอะ่ะไม่ไม่มีใครเดียมีแต่ดีเฉพาะพวก พู้ตัวแต่ละเลงเดี๋ยวนี้ ก, นก็แสดงว่าหางเครื่องเนี่ยเครื่องหาเรื่องโจมตีด้วยนะฮะ<ช>คือ<ช>คือทุกปีงานสัปดาห์ส่งเสริมนี่จะมีคนโจมตีทุกปีครัอ<ช>่าคืนปีปีปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยก็อะไรอะพวกพวกอะไรเทือหา ก, กินพิเศษพิเศษอะครับ<ช>คือฝนตกแล้วเขาก็หลบเข้าไปเต้นซึ่งเราเลิกกิจกรรมไปแล้วอะ่ะครับแล้วก็โจมตีว่าหาว่าปล่อยคนหล่อนี้เข้าไปอยู่เอ้ามาทําไงเราเลิกงานแล้วครับ เรื่องงานแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรหรอกคือคือมันเป็นองค์กรที่เปิดกว้างสถานที่เปิดกว้างแต่ข้อด่าเรื่องธรรมดานะครับลอยก็ไปครับคุณทุกท่อานครับสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนการครับสวัสดีครับครับสมาธิครับผมครับผมครับผมต้องการทราบค่ะคำว่าสมาธิครับครับผม ครับเธฟังทางพุทธยุทธนะครับครับผมขอบคุณมากครับสมาธิก็คือใจสงบอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคุณอ่านหนังสือได้ใจสงบอยู่กับตัวหนังสือคุณฟังเทศใจสงบอยู่กับฟังเทศคุณนั่งสมาธิคุณสวดมนต์ใจสงบอยู่กับสวดมนต์ก็สมาธิฮะสมาธิมันเป็นวิถีของจิตอย่างหนึ่งเมื่อจิตมันนิ่งมันก็เป็นสมาธิอเราเรียกว่าจิตที่ตั้งมั่นครับแล้วก็ ถ้าตั้งมั่นได้บางบ้างนแม้แต่เสียงเสรอมันก็หายไปเลยคือคือไม่สามารถจะรบกวนให้เราแตกให้ให้เราออกจากสมาธิได้แต่มันต้องขึ้นฌานไปแล้วนะฮะต้องผ่านสมาบัติไปแล้วสมาธิก็คือจิตที่สงบอ่ะเรานต้องมีสมาธิด้วยกันในนั้นแหละแต่มันเป็นวิธีตามธรรมชาติของมนุษย์ ครับขอบคุณท่ณานศูยสองสี่หนึ่งกระสานหนึ่งห้านะครับขอยานะครับแฟนรายการหลายท่านให้ผมทวนเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะครับของทางรายการที่จะขอหนังสือมานะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับ บอกโอเปอเรเตอร์นะครับบอกว่าเจ้าบอกเจ้าที่ของทางมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับว่าจะขอหนังสืออยู่อย่างประสุขนะครับขอพระเดชพระคุณไม่ได้พิลกนะครับซึ่งทางท่านพลเอกเสรีผู้กมา น, นะครับและท่านดรรัชณีพรู้ทธพรผู้กรมาท่านเจ้าของมหาวิทยาลัยนะครับจะส่งมอบเป็นของขวัญพิใหม่แล้วก็ปีสองพนห้าะครับวันจันทร์หน้าวันที่หนึ่งเราก็เริ่มจัดรายการเช่นเดียวกันนะครับปีที่ผ่านมานะครับ เราจัดรายการทั้งหมดด้วยกันห้สบ็ดครั้งนะครับท่านที่คอาจารย์ป่วยแค่ครั้งเดียวจริงๆเลนะครับแล้วก็ห้าสิบเอดครั้งนี้คําถามแต่คําถามที่ที่ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับปีสองพนสิบ้านะเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับหลายคําถา ม, มเป็นปเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยท่านที่คอาจารย์ครับพัฒนาการอย่างนี้มันมองให้เห็นว่า อ, อ เพ่อผู้สังเกตุชนที่ฟังรายการวิทยุนี่มีการพัฒนาขึ้นมากใช่มาอย่างนึกชมอยู่นะครับเพราะว่าโยมที่ถามมาจะมีเหตุผลส่วนใหญ่แล้วจะมีเหตุผลแล้วก็ที่แปลกก็คือเป็นผู้ชายกับพระนี่จะเยอะเยอะครับนะครับซึ่งทุกพาะจิตจะถามมาน้อยแต่เวลาถามก็ถามมีเหตุผลมีกรณีที่ควรจะข้องใจสงสัย แล้วแสดงว่าเราก็เครือข่ายสมาชิกมีสักเท่าไหร่เราเราไม่รู้แต่ว่าคนที่ถามมานั้นก็บ่งบอกถึงว่ามีพื้นฐานใศาสนาครับค่อนข้างดีนะฮะครับกันค่อนข้างดีก่หน้านาชิ่ใจครับคขอบคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสมสามหนึ่งห้าะครับขณะนี้หลายสายโทรมาหลังมาอยู่นะครับให้อาจารย์ธนพลช่วยอาจจะมีคําถามเข้ามานะครับครับผมสายต่อไปเลยนะครับสาธุท้ายครับสวัสดีครับครับผม ครับสวัสดีครับรบกวนพูดดังๆนิดนึงนะครับคขอบคุณครับอยากจะเรียนถามว่าเอ่อพระโสดาบันเนี่ยนะคะท่านละได้สามอย่างนะคะทีนี้ในในวิกฤติฉาเนี่ยอยากชอบขอบเขตหรือหัวข้อใหญ่ๆว่าความยังเลสงสัยเนี่ยเป็นเป็นในแนวไหนบ้างคะ ขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับแสดงการประจำเลยนะครับความ ล, ล, สสลังเลสงสั ย, <c oughs> สสยนี่จําแนกเป็นแปดอย่างนะโยมเป็นอาการอย่างหนึ่งของอวิชชานั่นแหละมันก็เป็นโมหะเจตสิกแต่คำนวณบลีเขาเรียกโมหะเจตสิกคือสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิตขาในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปฏิจจการคือกฎปฏิจจสมบาทมันก็คืออวิชชานั่นเองนะแต่อวิชชานั้นเขาบอกไม่รู้ อันี้ก็เรีสงสัยคือว่ารู้บ้างแต่ยังสงสัยในบางประเด็นครับก็กรอกของวิจิตจฉาพระอาราห์ไอ้ไมใช่พ ร, พระโสดาบันท่านจะมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและในใจสิกขาซึ่งก็หมายความว่าในส่วนของอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัฏจจิการมันก็คือคือใจติขาเนี่ยก็คือทำไมก็ก็ถูก ถูกท่านท่านไม่สงสัยไปด้วยก็กลายเป็นเป็นทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารู้แจ้งในปฏิจจการโดยสมบูรณ์หรอกเพราะว่าปฏิจจการมันไปอยู่ที่อวิชชา ค, คนที่ดับอวิชาได้นึงก็คือพระอาราร ครับนะคนทั่วไปก็ดับไม่ได้ไปโซดาแล้กิตาคานาคาก็ลดละบรรทาไปแต่นั่นเด้งครับครับขอบคุณครับวันนี้นะครับเป็นสัสุดท้ายของปีสองพนก้านะครับขอความเจริญรุ่งรมนะครับมีแด่ท่านผู้ได้ฟังรับฟังรายการทุกท่านเลยนะครับและขอได้ข้ำขอบคุณจากท่านผู้จัดรายการนะครับท่านพลเด็กเสรีผุกำมาแล้วก็ท่านดรัชินีพรผู้ยกรัฐมนรีกมาท่านเอการบดีมหาวิทยาลัยสิริทุมครับขอกลับโวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ